มคร่องงูเป็นนิดไม่อิ่มเป็นาธาตแทงกัญหาเนื้องานใครเสียงกว่าเพื่อนเนื้องานของพระสมาสัมพทุทธเจ้าดึงเอาคนเข้าสู่พระเานมากกว่าเมธินาจายในท่อมหาสมุทรีมหาสมุทรเนื้องานชั้นที่หนึ่งเนื้องานชั้นที่สองคือพระปัจจี เนื้องานชั้นที่สามคือพระนันงตาสีนาศชั้นที่สี่คือพระอนาคามีชั้นที่ห้าคือพระสกทาคาเมชั้นที่หกคือพระโสวดาวันและนอกนั้นเป็นเนื้องานที่เวียนไหาใจขืด อ, อยู่ในวัฏสงสาร เวนสีน้องเวนไทยสนอย้องไพทยบาลยมุขทุกประเภทเป็นเนื้องานของชาวโลกผู้ท่องเที่ยวในวัดตสาสงสารแต่คนทั้งหลายอ่านเนื้องานไม่ออกเนื้องานของพญามารเป็นเนื้องานชาไปทางกิเลสวนเวียนอยู่ในวัดตสาสงสารคนทั้งหลายอ่านเนื้องานไม่ออกอุดมคติ มีในที่ใดก็ดึงวัตถุนิยมอันบริสุทธิ์ไปด้วยถ้าอุดมคติไม่มีเป็นหัวจัรของความประพฤติมันก็ดึงวัตถุนิยมทางทฤษิตไปด้วยแต่ก็ไปไม่รอดสมัยชาวโลกเป็นจราชนมีแเวริขนอเวรภัยขนองภัย สังเวยกันด้วยเลือดเนือ้อผู้ใดหันหน้าเข้าสู่หาร่มโพสามร่มสามร่มโพสีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทนั้นก็จะเล็ดลอดไปเท่าที่ควรเนืเ้อหนักนั้นอย่าเอามาเอืยเลยพุทธะทานายไว้แล้ว พุทธะทำนายเป็นโหณเอกในทางพระพุทธศาสนาโหนใดๆในใจโลกาเป็นเมืองขึ้นของโหนเอกทางพระพุทธศาสนาคือพระสมัยพระพุทธเจ้าท่านนั้นคำสอนใดๆในใจโลกทานเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดใครจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเข็มเท็จจะมีกี่ลังนล้าน mm. ก็เชื่อไปนในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนก็พุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับพูดรู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็พเชื่ออะไรไม่เชื่อ และก็เป็นจริงอยู่ไม่มีมการโังกานคือะไรเรียกว่าอริยสัจยะธรรมไม่มีใครจะมาลบเลือนได้เทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้ําหนึ่งห ล, หลายทางน้ำห้อยน้องกลองเืองบางต่างๆไหลลงสู่มหาส ม, มุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคดใดําสอนใดก็ไร้ลงสู่คําสอนแล้วกทศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้น ไม่พูดอี ก, ก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อผู้ใ ด, ดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ดีท่านผู้อื่นก็ดีก็จะเห็นตัวเราท่านผู้อื่นก็จะเห็นท่านผู้อื่นในคราวนี้ในคราวของชาวโลกเป็นจราจนสมัยเหตุ น, นั้นพระบ ร, รมศาราจริงสั่งสอนว่า จงเป็นผู้ใจถึงในทางธรรมดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางธรรมชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางธรรมดีอย่าเป็นผู้มีอิสระในทางธรรมชั่วเลยจงเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทางใจนบชรจำหนงดวงจิตและกายวายกาอยู่ทุกว่นเถิน วัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่ถึงแม้จะได้มาในทางที่ชอบก็ยังอยู่ใต้อำนาจอเนจังอีกด้วยเกิดขึ้นแนวก็ปแปรปวนในระดับไปส่วนที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบนั้นมันก็เป็นยาพิษล่นล้วนไม่ใช่ยาพิษเคลือบนำจาลอีกด้วยเป็นยาพิษล่นล้วนถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มี เราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันพระพุทธศาสานาะจะล่วงไปสักเท่าใดก็ตามกรรมและผลของกรรมก็ยังเข็ดขมอยู่ไม่นิยมเขากับชัานวันละเลยใครทำดีตอนนั้นๆผลของดีก็ตามมาถึงใจตอนนั้นนั้นใจทำดีตอนไหนผลของใจก็มาหาใจตอนนั้น นึกโกรธเวลาไหนผลของความโกรธก็มาในเวลานั้นก็อยู่ไม่เป็นที่สบายนึกเมตตาเวลาไหนผลของความเมตตาก็มาในเวลานั้นใจก็เป็นที่สบายนึกเบียดเบียนท่านผู้อื่นมาในเวลาใดผลของใจก็ไม่เป็นที่สบายในเวลานั้นนั่นคือตัวอะไรคือตัวผลของกรรมใช่ไหม นับตาเวลาไหนผลของความมืดก็มาในเวลานั้นลืมตาเวลาไหนผลของความเห็นก็มาในเวลานั้ น, นไว่แต่ตาฟาและเที่ยมืดโทาก็ห้า ม, มาไม่พูดมากเพราะวันนี้เลยมากเห็นชาติทุกขในปัจจุบันแล้วชาติทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัย ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนไปได้ข้ามทะเลหลงก็ข้ามอยู่ที่เมืองใจสงครามสงครามีามิเลศก็ลบกันอยู่ที่เมืองใจถ้าทำปัญญาแข็งแกร่งก็ขับกิเลสออกจากเมืองใจได้ถ้าปัญญาอ่อนกิเลสก็ไส้หันขวาหันขับล้างหันอยู่ที่เมืองใจ ชนะก็ชนะกันอยู่ที่นี่แพ้ก็แพ้กันอยู่ที่นี่ชนะในทางอื่นไม่มีในทางวัพุทธศาสนาเลยทําดีเขาไปบวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปบวกชั่วยอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกอยู่ที่เรียนท่าอากาศเลยนอกจากใจไม่มีอะไรจะหลงใจถ้าหลงใจตอนไหนก็หลงทำตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าทำตอนนั้น ถ้ไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนจนเป็นใจไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนจนเป็นผู้รู้ก็ข้ามทะเลลงไปแล้วเอาละทีนี้ยนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> งานที่จะก้าวหน้าคือความบริสุทธิ์นืองานงานที่จะถอยหลังก็คือความทุจริตในส่วนตั ว, วแล้วควร่ส่วนผู้อื่นนอน <c oughs> ถ้าไม่สินธรรมใ น, ในใจแล้ววัตถุนัย่อมมันดึงไปเองมันบม่ได้รอดรูลล้ดมคติ ก็คือความบริสุทธิ์มันดึงวัวตถุนิยมไปด้วยถ้าอุดมคติไม่มีในหัวใจแล้ววัตถุนิยมก็ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่พ้นความเดือดร้อนี่อๆเท่ออะนะวางเลยนะวัตถุนิยมคืออะไรอุดมคติคืออะไรก็คือศีลธรรมนั่นเองคำสอนพระพุทธศาสนาพระบรมศ า, ศ า, ศ า, ศาสต ร, ร์สดาสอนดีแล้วมีทั้งวัตถุนิยมและอุดมคติ ดึงไปในตัวด้วยวัตถุนิยมคือมนุษย์สมบัติสวสรรค์สมบัติกรมสมบัตินิพานสมบัติตตไปในตัวด้วยท่างวัตถุนิยมและอารมคติกลมเกลืงกันไปในตัวถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ไปไม่รอดพระผลของกรรมมันไม่ถ้าผลของกรรมไม่ ม, รร ม, ม, มีเราก็สนุกทําตามอําเภอใจตามอาเภอกิเลสอําเภอกิเลสกับอําเภอธรร ม, มะ กับอำเภอรบริสุทธิ์มันสู้อำเภอรบริสุทธิ์ไม่ได้จะได้น้อยก็ตามสิ่งไหนที่บริสุทธิ์มันก็ไม่เดือดร้อนจะได้มากก็ตามสิ่งไหนที่ไม่บริสุทธิ์มันก็เดือดร้อนทั้งศอกกับหลังด้วยทั้งเข่าด้วยผมวิบัติไปในตัวด้วยผมไม่บัติไปในตัวด้วยนี่ผานีิบัติไปในตัวด้วยแต่ว่ายไม่ทั่วเพศเห็นนั้นตรงเว้ไกลยซัก แตาสำหรับกินสิ่งไหนมันแสลงกับโรคของเราก็ไม่กินความนึกคิดก็เหมือนกันสิ่งไหนที่มันส่งเสริมราคะโทสะให้จัดขึ้นเราก็ไม่เอามานึกคิดการงานก็เหมือนกันถ้ามันไปทางบริสุทธิ์สัมมากัมมันโตเราก็ทําการงานอันนันนะไรรักงานอะไรสัมมาวายาโมพยายามชอบ และทั่วทํามนมสมาอาชีววเรี่องชีวิตชอบคือเว้นจากเรื่องชีวิตในทางที่ผิดสมาสติและเรื่องชอบเรืองแก่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและธรรมถุลสมาสมาธิตั้งใจรอยชอบอมิตรฉาสมาธิคืออะไรคือภาวนาหาเลขหาผาหาบัตรหาเบอร์เรียกว่ามิจรฉาสมาธิมิจรฉาปัญญาก็เหมือนกัน ปัญญารอบโูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องมเป็นประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปนัจจุบันมีสี่อย่างวุฒิธรรมธาฉันึงพร้อมด้วยความหมั่นในการประกอบปิีเครื่องที่ยังคีไว้ ก, ก็ดีในการศึกษาเราเรียนก็ดีในการทําระหน้าที่ของตนอันบริสุทธิ์ก็ดีอารักษาสามรมธาตถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรักษาครับที่ แ, แวงหามาได้ด้วยความหมั่นไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษ า, า, าการงานของตัวไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดี กัญญาณมิตรตาคนคมทุ่มมีเพื่อนยังงามมันก็คนทั่วสมาชีมิตรความเรื่องชีวิตในทางที่ชอบประโยชน์ปนัจจุบันประโยชน์ภายหน้าศรัทธาสมัชาถึงพร้อมด้วยศรัทธาเชื่อว่าทำดีในดีทำชั่วอะไรชั่วเป็นต้นเสียในสมัชชาถึงพร้อมด้วยศีลห้าคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีมีไม่ไ ม, มีโทษจาค่าสมัชา ถ, ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลีย่ยสุขให้แก่ผู้อื่น ปัญญาสมถธถึงพร้อมด้วยปัญญานู่จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นอันนี้ประโยชน์ในอนาคตประโยชน์ในปัจจุบันก็มีแล้วพระธรามสัพพติเจ้าเทิดชัดกว่าเพื่อนและที่ใดๆศาสนาใดๆก็ตามไม่เทิดเหมือนพระสรรมสัพพติเจ้าหรอกพระธรรมสัพพติเจ้าเป็นหูนเอกในโลกองค์ไหนก็มาทายเหมือนกันมดเรมิเกอร์ร่านพระองค์ก็มาทายก็มา มีคำสอนอันเดียวกันไม่ได้ล้อล่าพรบรกันเลยไม่เหมือนชาวโลกกูคัดคานมึงมึงคัดค้านกูเพราะอะไรเพราะมีแต่กิลเลส <c oughs> ขอให้เป็นประโยชน์ค่บาบ้างและพักของข้าบ้างตั้งอันไหนไหวความกั น, นแต่บางทีก็ตั้งไว้ถูกแล้วก็วจับกลุ่มปีนเกี่ยว <c oughs> ทำไมจะเป็นอย่างนั้น มีกินเลสเป็นนายหน้าแล้วมาทั้งพุทธเจ้าไม่มีกินเลสเป็นนายหน้าคนชั้นต่ำเอาไปปฏิบัติก็มาผิดคนชั้นสูงเอาไปปฏิบัติก็ไม่กระทบกระเทือนคนชั้นต่ำคนชั้นต่ำเอาไปปฏิบัติก็ไม่กระทบกระเทือนคนชั้นสูงย่อมได้ประโยชน์ดโดยสมควรแก่ความปฏิบัติย่อมให้ผลตามส่วนคุณค่าของเหตุไม่ําเอียงเข้าชั้นวันนะัใดๆเลยเนื่องงานในทางพุทธศาสตร์นะคือเรื่องงานในทางบริสุทธิ์ ไม่ใช่เนื้องานในทางทุจริตช่อราษบางหลวงเป็นประโยชน์แก่ตนแต่เวียเบียนท่านพู้อื่นหรือในสังคมอันนั้นก็ไม่ใช่เนื้องานอันบริสุทธิ์เนื้องานชั้นที่หนึ่งของพุทธศาสนาคือพระอรหันต์ชั้นที่สองพระอนาคามีชั้นที่สามพระสกทาคาเมชั้นที่สี่ชั้นที่หนึ่งพระอรหันต์ชั้นที่สองพระอนาคามีชั้นที่สามพระสกทาคาเม เช่นที่ชี้พระสวัสดาลอ น, นันเนื้องานเนื้องาน เ, าเนื้องานในทางพระพุทธศาสตร์นาเนื้องานที่ไม่เบียดเบียนจนในท่านผู้อื่น เ, เนื้องานต่ําก่อนนั้นลงมาอีกก็เนงานทํามาหาเรี่ยงในทางที่ชอบหาเรี่ยงในทางที่ชอบไม่ช่อบลาดบังหลวงสิ่งไหนที่ช่อบาดบังหลวงมันก็ไปแม่ก็กฎหมายตั้งไว้อย่างหนึง่ง เวลาเอาไปใช้เข้าไปแบบหนึ่งมันก็ไม่ถูกมือถือปาก อ, อสนกปากถือสีลมันก็ไม่ได้ <c oughs> ผลของกรรมมันมีอยู่ถ้าผลของกรรมมันมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาะเหมือนกันผลของกรรมที่ล่องปูไปตอนโคเออมันก็ตามมาแล้วตั้งแต่คาราวามันมาเป็นไส้เลื่อนนั่นผลของล่องปู ที่ไปยิงนกเขาได้ตัวดวีตั้งแต่เป็นเด็กมันก็ตามมาเป็นโรคหัวใจแล้วเพราะของกรรมของลูกปู่ที่เคยชอบกินตับกบมันก็มาเป็นถุงนํำดีแล้วเคยชอบกินตับกบแต่เป็นเด็กเรียบโค <c oughs> นั่นมันก็มาแล้วมันมาสู่ลูกปู่แล้วลูกปู่เอาควายมาเทียมไถเอียมันจำท่าจะขี้ เออมึงกินอยู่ดีๆแต่ก่อนเออเวลาเอามาเทียมไถ่ทำไมจึงมีเรื่องแท้ไปไปไปไปเข <c oughs> <c oughs> ามาเป็นโรคท้องปูใช่ไหมแหน่ะเลยแค่ล็อปูยกตัวอย่างตัวเองแล้วก็ไม่ควา น, น, นปูใช่ไหมล็อกปูจะยกตัวอย่างประการอื่นอีกใช่ไหมถ้าว่าผลของกรรมไม่มีเพชาอุาไปได้ไหมอ่าอ่าแม่ล้อกแก้วไปได้ไหม อ่าประเทศที่เถื่อมันมีบุญมีบาปไปได้ไหมแต่ก็เจอแล้วใช่ไหมนั่นนั่นใครประเทศที่เถื่อมันมีบุญมีบาปนักขี่นักขีคืออะไรคือมีขาวใช่ไหมเข็มทิศของมุขสัจธรรสนาเนี่ยถ้าใครเป็นอย่างนั้นจะมีผู้ให้คะเนียนหรือไม่ให้คะเนียนก็ตามก็พ้นจากกองทุกข์ข้ามทะเลลงไปแล้วถ้าไม่เป็นอย่างนั้นใครจะมาให้คะเนน มดโลกนี่ว่าพ้นทุกมันก็ไม่พ้นเพราะธรรมของพระปรมศาสตราไม่ต้องหาเสียงต้องเห็นเองในตัวเจ้าของทำเบื้องต้นของ พ, พุทธศาสนาพระโสดาบันนี่หนึ่งไม่เชื่อใจอย่ากล่วงละเมิดสี้นห้าหนึ่งไม่เชื่อใจอยากจะถือาศาสนาอื่นอัญชัตจุตเทศไม่ถือาศาสนาอื่นสักยะทิฐิไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาเลย วิจิตรฉาไม่ลังเลในพุทธศาสนาเลยศีลพัฒป aramat าาก็ไม่ลุกครัมในพระพุทธศาสนาเลยไม่ได้ถือว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นวิชาไม่ทันสมัยเขาเนื้อสมัยโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเพราะเหตุใดเพราะมีพระมีมนุษย์สมบัติเต็มภูมิมีสวรรค์สมบัติเต็มภูมิมีพรมสมบัติเต็มภูมีนิพานสมบัติเต็มภูมิแล้ว อาบายามกทุกประเภทเทเวินแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิและก็เป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิก็เป็นพรมสมบัติเต็มภูมิก็เป็นนิพพานสมบัติเต็มภูมิ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วยังเิดเจริญรัตน์โรเกรวิจตติวิธางุตระรัตน์พุทธะมังนติตัตสมัสสุที่ภาวันตุติ นัตตะอันใดในโลกนี้จะเสมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันไม่มีเลยนัตทิเมทั้งนางเงินยางชนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นชนะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเมื่อกล่าวคํำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เรานั้นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาจิตเบื้องต้นอเพื่อใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตโูนั้นละโลกนี้แล้วไปบันเทิงในสวรรค์ถ้าตรงกันข้าม ก็มีคติเป็นสองไม่สัตว์ได้ฌานก็ไปอาชุนอากายแลว้วก็สัตว์นรกอถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจในสนาคมแล้วผีก็ไม่มาเข้าผีในไตโ ร, รโลกราชมันุษย์โลกธาตุมันเกรงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจ เ, เพราะได้เอามันมาเมื่อไม่ได้เอามันมาอยู่ที่ใจเขาก็บอกลุงปู่ว่าลุงปู่ลุงปู่ไล่ลลผีให้ด้วยเออ ไล่ผีกว่าไล่ออกจากใจยผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดแล้วงปูก็ตอบอย่างนี้ออถูกไหอตอบง่ายๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงอยู่ที่ใจไม่หนักเลยถ้าเอากิเลสมาเนี่มันหนักออืเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาม า, มาอยู่นี่แล้วเลกได้เลิได้ก็ดีเขาเอากายถวายชีวิต ต่อพระพุทธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อแล้วเลึกได้ไม่ได้ก็ดีขอผูกขาดจองขาดเอาพระุธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ปฏิบัติปบูชากําจัดเจ้าพุทธเจ้าปูโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทือนแล้เลึกได้ไม่ได้ก็ดีขอขมาโทษด้วยกายวาจายใจต่อพุทธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณไม่รถไปเรือภาวนาพุตโธก็ไม่เป็นอันตรายธโมก็อยู่ในที่นั้นสังโฆก็อยู่ในที่นั้นในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจะไมีกี่ระล่านพระองค์ ก็มาสั่งสอนว่าถ้าันโรครบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายตบบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียังไงต่อบาปถ้าไม่มีความกลัวต่อบาปจะตั้งกฎหมายของชาวโลกว่ากี่ล้านล้านมันก็ไม่อยู่เพราะลงมาศาสตาถ้ามีความกลัวต่อบาปและอายต่อบาปแล้วอืมันก็เป็นไปเองใครเป็นผู้บัญญัติบาบุญคนโทษถูก ก็พระธรมารธิปุทีเจ้าจำฝึกเดียวเท่านั้นถ้าธรรมะมีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมศัทธมคารุกาธรรบูเราไม่สําคัญตัวอยู่เหนือธรรมเลยพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็เหมือนกันมาสอนอันเดียว พระพุทธเจ้าพกกองโลกอยากเต็มภูมิแล้วแต่ชาวโลกขี้โอไม่รู้จักว่าได้ของดีเลยไปนับถืออันอื่นมาข้ามหัวข้ามหางซะเหตุนั้นจริงอนละหานมีแต่ทะเลเลือดทะเลน้ำตาจีฝาตะเออสารพัดนั่นเอา้าถ้าชาวโลกไม่ชินห้าบริบูรณ์ดูดูสงครามก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีโซตรวนก็ไม่มีเรืองจก็ไม่มี กฎหมายก็ไม่ต้องมากตั้งแต่เพียงงบประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วอันนี้ตั้งขึ้นกี่ด้านละอนวันก็ไม่อยู่เพราะไม่รถตํำเนีงกิเลสอีพ่ออีแม่เอ๋ยใช่ไหมทําไมคาว่าอีพ่ออีแม่มันมันเป็นคําภากลิษาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคําภากลางใช่ไหมอีพ่ออีแม่เป็นคําภาคอีสาทีนี่ทีนี่ กัหมายที่มันร่วงละเมิดไปเนี่ยมันก็ล่วงละเมิดออกจากสินห้าใช่ไหมนะบัณฑิโตขลมาว่าสัง่งบัณฑิตเป็นผู้ครองลืนไม่ใช่คนผ่านเป็นผู้ครองลืนนัติพราปรินายากาคนผานไม่ใช่คนหัวหน้าเนอะคนมีสิ้งห้าจึงเป็นคนมีหัวหน้าใครไม่มีสิ้นห้าเป็นประจำก็ไม่ควรเอาเป็นหัวหน้าพระบรมศาสดา บ, บอกแล้ว นั่นนั่นนันนันั่ น, น, น, น, น, น, น, น, นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของผู้ฟังเลยผู้พูดนั่นนะอ่าถ้าชาวโลกมีสินห้าบริบูรณสงครามก็ไม่มี เ, ออเรือนจําก็ไม่มีตรวนก็ไม่มีกระทรวงกลาโหมก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีจักสบายไหมมันก็สบายทีนี้มันล่วงสินห้าไปทุกคนทุกแห่งแล้วเนี่ยเ อ, เอ้าโรคเอสดมาจากไหนก็มาจากล่วงละเมิดสินห้าใช่ไหมมันได้มีขอบเขตใช่ไหมนั่น เออแต่สัจจีรษาก็ยังมีขอบเขตใช่ไหมเออมนุษย์ไม่มีขอบเขตเลยใช่ไหมนั่นพูดนี่ไม่ใช่พูดหยาบเนอพูดเพื่อให้ถึงธรรมสัมปปราประพูดเพ้อเจอ้อก็ไม่รับรองเพราะเจตนามันจะเป็นอย่างนั้นเจตนาต้องการให้พี่น้องชาวพุทธถึงธรรมะด้วยกันเท่านั้นหรือจะถงถึงก่อนมากกว่าหลวงปู่แล้วก็ยกมือไหว้เนี่ยถ้าขนาดหลวงปู่หลวงปู่ก็ จะเล่าให้ฟังถ้าตํากว่าหลวงปู่ก็หลวงปู่ก็จะเล่าให้ฟังถ้าสูงกว่าหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็จะยกมืบูชาเหมือนกันอ๋อนั่นอันตอนนี้หลวงปู่ก็พูดไปเช่ก่อนเลยอีตาเถ้าอย่างเพิ่นหูวจักก็โตนะปฏิวัว่าฟังออกไหมล่ะเพื่อนภคกลาฟังไม่ออกอ๋อ่าถูกกับกิเลสมั้นล่ะพูดเนี่ยถูกกับธรรมะ ได้ในในกรกลวนก็ตามคําสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเข็มทิศจะมีเกล้าล้านก็ชี่ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไม่เชื่อและก็เห น, นือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุก เวลาด้วยเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คํานึงได้หลายทางน้อให้น้องครองบึงบางต่างๆไล่ลงสูง่มหาสมุทตะเลโดยไม่รู้ตัวฉัน้นใดคําสอนใดๆก็ไล่ลงสูง่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อ เมื่อเป็นดังนี้ชาวโลกตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกขึ้นไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดมองดูก็จริงอยู่แต่ทำให้ถูกอยู่แต่ไม่ลดตําแหน่งกิเลสมันก็ไปไม่รอดต้องลดตําแหน่งกิเลสทําไมเราจึงอาบน้ําเพราะลดตําแหน่งความสปกปรกมันเหม็นสาบตัวเจ้าของก็เหม็นสาบจึงได้ลดตำแหน่งอาบน้ํา ทีนี่ด้านจิตใจทำไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมก็พระมันมีโรคโกรธหลงจริงจงปฏิเสธไม่ได้ถ้าโรคโกรธหลงมีอยู่ในเราเราปฏิเสธในการเพื่อลดตำเหน่งก็ปฏิเสธไม่ได้เราท่องเที่ยวมาในวัดท้าท่องสารมีเกิดเป็นทุกข์มีแก่เป็นทุกข์มีเจ็บเป็นทุกข์มีตายเป็นทุกข์มีโต้เถียงเกี่ยงอนกลัวแพ้กลัวชนะเป็นทุกข์ การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระานเพื่อไม่ให้มาเกิดอีกมาวุ่นวายในโลกอันนี้อีกก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นไม่ชออใช่ไหมทำเวื่องต่าผู้ใดไม่เสียดายร่วงละเมิดชิ้นหาผู้ใดไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นผู้ใดไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่ น, ลน บ, น บ, นบอคนนั้น ก็ถ alloy, ึงพระโสดาบันแล้วซึ่งถึงโสดาปตาประสาทเพราะเห็นดวงตาเห็นธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นแล้วสัมมาทิฏฐ uh ิความเห็นชอบเบื้องปลายคือพระอรหันต์สัมมาทิฏฐิเบื้องกลางคือสัคตะคามีอนาคามีส uh ัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคือพระโสดาบันสัมมาทิฏฐิเรื่องเบื้องใต้คือพระอรหันต์คือเห็นชอบแล้วไม่มาลบมากดมาหลงอีกเลยเช็ดลาบแล้วเดี๋ยว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบแล้วอันนั้น ยันชอบเบงต้นคือพระสวัสดิวันปัจจุบันก็ดีปัจจุบันพระสวัสดิวนปัจจุบันสักษาคารีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระนานาย์ปัจจุบันพระวจีจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระสมมาทัพพุทธเจ้าจะเอามาเทียบไปันก็ก็ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะมียานสมัยยุทธต่างกันมีน้ำหนักกว่ากันมีโลกหลายอย่างเขาห้ามไม่ให้ลูกปู่พูดดังเขาไม่ห้ามไม่ให้ปู่พูดลูกปู่พูดดังแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังดังอยู่ เออเอเพราะเป็นโรคหัวใจเขามาให้หลวงปู่พูดดังโรคทุนรดีเป็นเนี้ยอีกด้วยแล้วก็โรคปัสสาวะไม่สะดวกอีกด้วยโรคกระเพะอีกด้วยโลกท้องผูออีกด้วยสารพัดโรคอยู่ในนี้มีกรรมมากนี่ก็มีเวณตั้งแต่อายุห้าปีอายุสิบห้าปีไปยิงนกเขาตัวหนึ่งได้ตัวเดียวละ ยิงด้วยข้องเฝาคือพุภาคอีส า, เา น, นเรียกว่าพุภาคกลาง เ, เรียกว่าข้องเฝอเดี๋ยวนี้เขาเรียกเรียกว่าใหม่้างใหม่แสงอะไรก็ไม่รู้เขาขเขาเนี่ยเพราะเขาเปลี่ยนคำพูดใหม่พันด้วยนู่นยิงก็ถูกนี่แหละนกเขาตัวเดียวนะ่ะก็แจ๊กก็แจ๊กต ก, ก, กลงมาตมา ก, กลงมาแกงว่ามันจะข้างเออมังจะข้างละอแล้วก็ถอดลูกโซออกออกกออกกสองคำงเลยตาย เออกูจะขอดเมียนมึงมึงมายิงกูทําไมมันจะไหวแล้วนั่นแหละก็ก็ก็สองคำเลยตายเลยเออแล้วก็มันไม่อยากนเลยวัดชีวิตก็ได้นูกเขาตัวเดียวเท่านั้นแ่ะเออพอมาถึงสองพันห้าร้สามสิบก็ระเบิดขึ้นนี่นี่ลูกหัวใจอะส่งเลือไม่ทันเกือบไปโรงพยาบาลศีนคาลินไม่พอไม่ทันนัอันนี้ก็เป็นเด็กงเรื่องโคแล้วก็เบือชอบกินแต่ตับปกก็มาเป็นถุงน้นดีแล้วนี่ได้ได อันนี <S <S ้ก็ตอนโคช่วยเขานไงตอนโคก็ช่วยเขาตัวเดียวถ้าท่านะจับจับตอนช่วยเขาจับตอนช่วยเขาแล้วก็ล่อเลียนมันไอ้ขี้โหลมึงอย่าล้งเนอะถ้าเขาไม่อทับลูกอันทะให้มึงมึงขายไม่ออกมึงก็เจี่ยวชนเขาขอทับเขามันมันร่องอูะโอแล้วพูดร่อมันเล่นเขาจะแปลงลูกแปลงโฉมให้มึงให้มึงอะไรขายออกถ้าทามาอย่างนั้นมึงก็ขายไม่ออกอมึงก็เจี่ยวชนเขามึงก็ผอมขายไม่ออกมึงอย่าขี้โหลเนอะ ในเวลานั้นอายุประมาณราชิขาออกมาใหม่ๆนียังมาทันได้จับฉลาดซะยังไม่ทันได้จับฉลาดทหารอยู่ในหว่งางหัวเรียกเขาต่อทีนี่เขาไปทับลูกอันทามากอล้องโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะแล้วก็หัวละมันหัหวละมันจับช่วยเขาตัวเดียวท่านนั่นเราไม่ได้ตอนหนอกหมู่เขาก็จับช่วยอยู่แต่เราเหยียดหยามมันมากก็เพื่อนถือเป็นขนอง เขาจะทำลูกอันทะให้มึงไมอย่างนั้นมึงไปเที่ยวชนเขามึงสาราพัดมึงจะแปลงไปมันก็ผอมมึงค้าไม่ออกแปลงลูกแปลงโสมให้มึงแต่พอเรามาบวชมาสองพันห้าร้อยยี่สิบสองมันก็มาแปลงชุก แ, แปลงลูกแปลงโสมให้เราอยู่สิบปีเราสมาทานไม่บวชเราสมาทานในฝ่าไม่ตัดที่นี่อ่ามันผีไม่พร้อมเทวดาไม่ช่วยที่นี่มันก็ทะลุออกขนาดนี้เอาเข้ามาได้ที่ เอาเข hmm. Whoa, mm ้า hmm. <so ไม่ได้เลยยัดเข้าเขาไม่เข้าที่ยัดเข้าเขาไม่เข้ายัดเข้าเขาไม่เข้าเขาเลยสลบทีนี่เขาก็ะโถเอาเพื่น้องพ่อมาเออเราก็คลานอยู่นี่ครนอยู่นี้เออพระพุ่าทํามาสงเออเออเอาข้าพเจ้าไปด้วยเนอข้าพเจ้าทุกข์แท้ในชาตินี่นะข้าพเจ้าเหลืออยู่ในวัฏสงสารเลยแล้วก็พอพูดอย่างนี้แล้วเขาก็เลยมาฉีดยาให้เราเพื่นน้องพ่อฉีดยากันกันปวด ก็เลยสลบเลยมืดไม่เห็นหนนที่ไหน เ, ไนเขาก็ได้ท่าแล้วพวกลูกหลานเขาได้ท่าแล้วเขาก็เอาลองไปใส่รัดปรือไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์คอนแกนพอเรารู้ตั ว, ตวมาวันที่สองเรารู้ตัวมาเออใครเอาข้ามาอยู่ที่นี่นเนอะมาํำอยู่นี่เขาผ่าหมดแล้วยังเหลือห้าหกโรค ยังอยู่นี่เหลือห้าฮ ก, ก, กโลกโลกช า, ลาเป็นหัวจักหม่มันแปดสิบกว่าเนี่ยชาดธรร ม, มาชาติาตงงเป็นทุกชาติพิทุกขาตูมลงมาเป็นทุกเรื่อตูมนี่โลกชาติชาติพิทุขาตูมตูมบาทเดียวตูมทีเดียวทั้งถูกมัดไต่เราก็ะฐานะเกี่ยวกับมรรคมาชร า, าพิทุขาตูมถูกมัดมันแนะนำพิทุขังตูมถูกมัด ผมเป็นชาติไม่ทุกสักทีก็ไม่มีใครไปเถียงพรงะบรมศาสดาได้เห่นฉะนั้นจึงรอจรึงยึงยอมขาบยา้าจึงยอมปฏิบัติตามพรนะพุทธศาสนาถ้าต่ำและผลของต่ำไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศ า, ส, าธสนาเหมือนกันเช่นยิงนกเขาเป็นต้นเช่นชอบกินตับกบเป็นต้นเช่นตอน โ, โคเป็นต้นทีนี่ เรายกตัวอย่างเราแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องโกรธเนอะทีนี่อ้าวถ้าว่าผลกรรมและผลของกรรมไม่มีเพชรชาอุไปได้ไหมเพชรชาอุไปได้ไหมผู้ที่ถือว่าไม่มีบุญมีบาปไปได้ไหมนันนทธิใดก็ตามศาตินาใดก็ตามบัญญัติบาปบุญคุณโทษไม่ถูกผลของกรรมก็ตามถึงอยู่ทุกทุกท่านไม่รอรีเลยอ่า กฎหมายมันพอหลีดเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงผลของกรรมมันหลีกไม่ได้เหตุนั้นจึงยอมเข้ารพพระพุทธศาสนานั้นนั่นแต่ว่ายังไงผู้หวังผลทุกในปัจจุบันนี้ขผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วทำซ้อนเจริญวัตราบาตรจงต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้น ปัมกาบก็ไม่ได้มีปาลาชิกสี่นักการที่เศสิสามนียศสองนี่สีไปสี่สอเจ็บไปสี2ก็สองเป็นเซนียสีเสียชีวิตยที่อาิตย์การละสมถมีเจ็ดมันยังไม่มีเทศเพงออกไปก็ฟังแล้วก็สาเร็จพรหันก็มีทวาบันก็มีกระพอะเหยียดใดก็พระมันเป็นดอกบัวตูงเลรับรัศามีพระอาทิตย์มากระบาลับเลยก็งานก็ดอกบัวตูง เออพวกพวกดอกบัวอยู่ใต้หน้ามันก็ต้องกอทลากาขอทลาอาขากันดูอย่างนั้นเส้าก่อนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าอยู่นั่นเสียก่อนนี่พวกอบารมีแก่ก้ามาเลยพบก่อนนี่ยเปิ๊บเไปอะไไปอะไอ่าเพราะเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุก็ดีผลของเหตุก็ดีพืชผลของพืชก็ดี กรรมผลของกรรมก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนไปทางดีทางชั่วมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุเพื่อกรรมเป็นประมาณเหตุหนั่งผลก็อนนั่งเหตุนึกคิดผลก็นึกคิดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจมันไม่อยู่ห่างกันเพรก้าเหตุรับตาผลก็เมือ่อเหไม่อยู่ห่างกันพอวินาะทีเหตุมือลืมตาผลก็เห็นไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุลุ่มสานพเพลอเิ่มลุมล่มสานเพลิงผลก็ร้อน น่นนเหตุก็เพื่อประยชนห่าง ก, ากันเพราะว่าใครเป็นผู้บัญญัติเหตุผลถูกคือบาปมุญโทษถูกเ พ, er พราะพระสมานเจ้าพรเจ้าเท่านั้นเพราะไม่บัญญัติเข้าข้างตัวเหลือดังนั้นเขาบัญญัติเข้าข้างตัวบ้าเข้าพักของตัวบ้างเพราะเหตุใดเพราะมีกิเลสผู้มีกิเลสมากก็บัญญัติเข้าข้างตัวมากผู้มีกิเลน้อยก็บัญญัติเข้าข้างตัวน้อยผูม้มีไม่มีกิเลสเลยก็บัญญัติเป็นธรรมมาทิปไตยใช่ไหม มะรงวันมันก็บัญญัติเข้าข้างตัวมันว่ากูบินปรือไปคราวเดียวกูก็ได้พูดพูดมามะเรงพุ่งมันก็ยืนยันว่ากูบินปรือมไปบินเฮไปคราวเดียวกูก็ได้เกสอนมาไม่ฆ่ามันก็บอกว่ามันถูกแต่มันก็ถูกทั้งสองทางมะเรงวันก็ถูกตามมะเรงวันมะเรงพึ่งก็ถูกตามมะเรงพึ่งใช่ไหมพระอหันท่านก็บอกว่าท่านสังคมของข้าไปเจ้าไว้มีกเกลียดเนอะนั่นแหะ อะามันก็ถูกของไทยเข้ามันแต่มั น, ม, นมันอยู่คนละระดับใช่ไหมนั่นหละเห็นได้ยังเป็นอย่างนั้นพระกรรมวุนาวตัตถิโรโกทั้งโลนไปทํางความข้างพระพุทธเจ้าก็มีดอกวัวสี่เหล่าั้างนี้ก็มีอยู่สี่เหล่าดอกบานก็บานเต็มภูมิเหมือนท่านผู้พ้นไปแล้วครูบาอาจารย์ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอหน้าก็เสมอหน้าเต็มภูมิดอกพ่นว่า นิดดีอะรขนาดนี้คือพระสวัสดิ์ันพ้นไปกว่านั่นก็สักกาคามีพ้นไปกว่านั่นก็พระอนาคามีพ้นไปจนบาลก็คือพระอรหันต์ดอกอยู่แก๊ะใต้น้ํานั่นก็บางทีก็เป็นพักษาแห่งปาลาเต่าวบ้าบางทีก็จะโผล่ขึ้นมาบ้างเพราะหลายบางทีพระยังเป็นลุจแจวเรือทายเรืออยู่ในเอง่งยังไ ม, ไม่มีทางออก บุญก็บุญในทางโลกีบาปก็บาปในทางโลกียังวนเวียนอยู่ส่วนบาปของปัสสาวะบันเป็นบาปที่จะไอยหลอไปข้างหน้าเป็นบุญที่จะบานหน้าไปถึงพระอนาคามีส่วนพระรหัส น, นือบุญเนื้อบาปไปแล้วิงทีงนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะขบให้าเจ็ทั้งนั้นพระพุทธศาสนาสอนราเอียงพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทากติเราเอียงพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติ รำเอียงเพราะความเข่าเรียกโมหะกติรำเอยังเพราะกลัวเรียกพญากติรำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชันทากติคือเรื่องจะคือยังไงคือรักใคร่รัตท <you> ี่อื่นลังเกียจพระพุทธศาสนาเรียกชันทากติรำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติโกรธแท่พระพุทธศาสนาขัดเคืองเป็นตั้งขวางคอออันนี้คนเรียกว่าโทสาคติรำเอียงเพราะเข่าเรียกโมหะกติคืออะไรคือครบ พระพุทธศาสนาไม่แตกก็เรียกว่าโมหากติแล้วยังพระกลัวเรียกพยาคติคือยังไงคือถ้าเราจะถือพระพุทธศาสนากอกเกรงจะผิดใจผู้ถือรัฐที่อื่นก็ต้องหมอบอยู่อย่างนี้ถูกไหมคล้ายๆกับว่า ลำเอียงพะกลัวเดียพยาคติเทียบออกมาให้ตื้นไปอีกกว่านั้นมันจะทําผิดสักเพียงใดก็ตามก็ต้องเลี้ยงมันไว้เพราะเงินมันก็มากเดี๋ยวมันจะมาฆ่าเราใ น, ในที่มืด อ, อันนี้ก็เรียกว่าลำเอียงพรกกลัวเรียพยาคติใช่ไหมคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤตินะพระพุทธเจ้าไม่ประพฤติเลยสอ น, นให้ประพฤติเลยอ่าเห็นของจักว่าแม่นดอกบัว เห็นเจ้าหัวไปผูกเอาเลขมันก็มาถกเึออันนี้่นอพวกพาพวกกรุงเทพฟังไม่ออกหรอกสร้างเขาอยากทุกให้เรียนเลขนะนายอยากยึบหายให้เล่นเลขบ่อยๆเล่ยนเทเล็กเทน้อยแต่ยึบหายคือกันยึบน้อยยึบใหญ่แม่หมอที่นี่ผู้อยากไป ผ, ผู้ต้องการไปเมืองสวรรค์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไปได้ตลอดชีวิตผู้ต้องการอยากจะพ้นทุกข์ในวันตาสงสารในปัจจุบันชาติผู้บารมีแก่ก้าวมาแล้วก็พิจารณาทุกขเป็นอารมณ์พร้อมกับลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่เรามัไม่ใช่ของเราเป็นรัศสารว่ารูปเป็นรัศสารก็เห็นนิมิตจะมากี่ล้านล้านนิมิตก็ตามภาวนาไปเห็นเทวบุตรเห็นเทวดาเห็นพระอินพระพรหมพระยมพระการก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนิมิตเหล่านั้นไม่ควรคำหนึ่ง เ, ออเห็นทั้งเบื้องต้นของมันเห็นลูกไม้ของมันลูกไม้ของนิมิต ท, ทั้งหลายคืออะไรลูกไม้ของมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลีนแล้วแตกกระายลูกไม้ของสังขารก็อันเดียวกัน เห็นอันนี้จังคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทนุกคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนัตตาคณะจิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วทุกขังอันนี้จังอนัตตามไม่ใช่อยู่คนเราเป้าอยู่เป้าเดียวกันเองเป้าอะไรเป้าหนังห่ม อ, อยู่โดยรอบตรแปลว่าสานไตรปิฎกพุทสมุดศูนยของตายวายกายใจเพราะปรมัดมัดทั้งกายวายกายใจเพราะวินัยก็ พระวินัยกายวายใจใจใว่าเป็นสามว่าเป็นสองก็กายกับใจว่าเป็นหนึ่งก็ใจพระสูตรก็สูตรของใจพระวินัยก็วินัยของใจพระประมามัดก็มัดเข้าที่ใจพุทธโทธตรรมโอสังโกก็มัดเข้าที่ใจคนตายว่าไม่เป็นนั่นยอดลงมาเป็นหนึ่งทีนี้ <S <S 1> <S 1> พูดมาก็ <S <S กตาก็าหาลงมาหารักหน่วยไวย้ที่ร้อยพันหมื่นแสล้านจะมีมากเท่าไรสังขารจะมีมากเท่าไรก็ย่อดลงมาเป็นหนึ่งเอะสังขารในวัจจุบัน แ่นี้พันธ์จะมีมากเท่าไรก็ยอดลงมาเพียงหนึ่งคือทําอันไม่เกิดไม่ดับทํามันไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ตามเป็นจริงของชาวโลกของชาวธรรมนานาคตตามเป็นจริงของปัจจุบันอดีตนาคตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสามถ้าเราติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งแล้ววิญญาณปฏิสนธิเทือกของเราก็ไปอยู่ในที่นั้นเหตุ น, นั้นเรายังไม่ติดอยู่ในเที่ใดๆทั้งสิ้นผู้รู้ก็เป็นได้สภาวะรู้เราไม่ติดอยู่ เช่นโยมคนหนึ่งผ่านมาเพราะท่านได้สร้างบารมีมาแก่กล้ามาแต่พบก่อนแล้วพอบรมพระบรมศาสนามองเห็นเออโยมคนนี้จะถึงพระนิพพานจะถึงพระหันในขณะนี้เดี๋ยวนี้จะแตกขาเนี่ยไปธรำสาสีท่านรู้แล้วพอบรมศาสันาแต่กรอนพาไปท่านก็พูดพอบรมศาสันาเหลือเห็นรู้แล้วปั๊บแลย โยมคนนี้จะมาถามเราอย่างนั้นเราจะต้ตอบไปอย่างนี้เราจะเอาไว้อย่างนี้ท่านก็ลูกแพทเดียวเลยพระบรมศรานาแต่ว่าก่อนพาไปท่านก็ตอบเขาเพราะว่าบรมศรานาต้องขอสังเทศว่าเออเรากําลังบินท บ, บาทอยู่พระตามหลังก็งน้ไม่ควรโอ้บางทีพระบรมศาลาสิ้นลมฟันเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีเข้าสิ้นลมฟางเดี๋ยวนี้ก็ได้ในที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าพระบรมศาลาไม่ทราบทราบเลยแต่เป็นคําที่เก้าพูดไปตามแถวมันเฉยเฉยฉลาดโผล พอก้าถามพระบรมสารีราก็คงรู้จากก้าแล้วพอพระบรมศราสีรมองดขูข้าพระองค์พระบรมสารีราก็คงทราบแล้วแต่ว่ากรอนพาไปก็าอะไรพูดว่าที่เก้าตายแล้วนี่ก็ดีบางที่พระบรมศรารีร์เชิญลมปานแล้วนี้ก็ก็ได้เออท่าอย่างนั่นก็ไม่ยากเป็นแต่สักวรูปเป็นแต่สักว่าเห็นเนอครับพอแล้วถึงพระรหันเนี่ แ, นนแตกฉันน่ะพรสามิทาสีอัธธฏฐะพฏะทีสามิทาแตกฉันในอัฏ ธรรมะปฏิสัมภิทาแต่ฉันในธรรมนิรุตติปฏิสัมภิทาแต่ฉันในนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมภิทาแต่ฉันในปฏิภาณสเาเร็จพระทหารเลยนะ่ น, นปเป็นพระสกุลุเป็นพระสังข์เห็นอทำชั้นสูงที่สุดนี่สุดในพระพุทธศาสนาเนี่ยเสียสมาธิปัญญาไปรวมพลกันอยู่ที่นั่นศสียงก็สูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงปัญญาในชั้นนี้รวมพลกันฟลุบเลยเป็นเอกนนิบาตในปัจจุบันในมโนภูพังเลย เป็นได้สาวกโลกเป็นได้สาวกเหน็นคือคือคือคือยังไงเมื่อยึดถือผู้ลูกผู้เหน็นว่าเป็นเราเป็นเขาเมื่อยึดถือว่าเราเป็นเขากับผู้ลูกผู้เห็นเมื่อยึดถือผู้ลูกผู้เหน็นเป็นตนตนเป็นผู้ลูกผู้ เ, ผเหน็นไม่ยึดถือว่าผู้ลูกผู้เห็นเป็นตนมาณทิศทีอวิชชาความหลงหลงมันก็เตะกระเจิงไปที่นั้นนี à, ่ดัดดมีเท่านั้นคำำําสอนของพระพุทธศาสนารวมผลเข้าไปมีเท่านั้นเหตุฉะนั้น ท่านจึงยืนยันว่าใจไม่ใช่ตัวตนทําทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเออแต่สิ่งที่ไม่ทวใช่ตัวตนเป็นบาปต้องเว้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นบุญต้องเจริญสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นวัตผลเนื้อานก็ต้องทําให้แก้นั่นนั่นนั่นทำของพุทธศาสนามาจบกันที่นั่นภาวนาไปเห็นอะไรมั้แล้วก็กรรมเอากรำเอาก็ไม่ได้เห็นนิมิตมากำเอาก็ไม่ได้คนหนึ่งภาวนาไป เห็นสายส้อยทีนี้สายสรอยกองอยู่มันลุงรอดชวดทานไปก็กรรมเอาทีกรําเอาแล้วมันก็สมาธิประกอบทอนมาก็ไปมือมาก็มีเจน่นี <laughs> ยทิ้งอาจาราย์เดิมภาวนายาทิ้งพุทธฆ่าตั้งพุทโทไว้ก็อยาทิ้งพุทธโทเดิม พุ ha, ทโธไม่พามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายธัรมโอสถสองไว้ซึ่งมันมาเกิดมาแก่มาเกิดมาตายสังโฆเขปฏิบัติเพื่อ่ให้มันเกิดมาแก่มาเกิดมาตายตกลงพุทโธธรรมโอสังโฆก็เป็นโลกุตะพุทโธเรีกพุทโธผาพุทโธบัตพุทโธเบอร์มันก็ยุ่งเยินอะไรอก็มีอ่างไปดึงพุทโธธรมโอสังโฆมาเล่นเลขด้วยเพราะโรกีมันก็บ้าจริงๆอันนั้นนะอ พระเนรที่เล่นเลขเล่นผาเล่นบัดเล่นเบอร์สู้เขารักษาสินห้าไม่ได้ถ้าต่างคนต่างไปตกนรกพระก็บอกเลขโยมก็เล่นเลขถ้าก็ต้องอยู่ใต้โยมโยมก็เหยียบคอพระอยู่ในรุมนรกใช่ไหมนรกนั <c> ่น <oughs> <c oughs> โยมยังมีสิทที่อยู่อยู่สูงกว่าพระเลยอีกด้วยเออไม่เสียได้เลยหลวงปู่ไม่ได้เสียเงินด้วยเลขด้วยผาด้วยบัดรด้วยเบอเป็นฆราวาสอยู่ก็มาเล้เสียเนี่ย ไม่ได้เสียพอห้าบาทสามบาทอะไรละเสียเงิน1ิบสิึงแต่ก่อนเท่ากับลูกตายคนหนึ่งแล้วก็เลยเช็ดใหญ่เลยไม่เล่นพวกลูกนี่เขาพูดที่ไหนสูสูสูไอ้ผูบ้างอะไรล่ะชิบหายเลยนะฟ้าใจไม่ถึงถ้าใจเสงทํำแล้วครับผู้ใดเล่นเล่นผาก็ถ้าไม่ต้องภาวนาดูว่าคิดใจเขาอยู่ระดับใดไม่ต้องภาวนาดูรู้แล้ว พวกที่ถือหลักที่อื่นก็เหมือนกันไม่ยินดีในพุทธศาสนาเมื่อเขไม่ต้องภาวนาดูหัวใจเขาหรอกเขาบอกแล้วเขาบอกเราแล้วเราจะไปภาวนาดูดูยังไงผู้ใดเขาดื่มเหล้ามาคุณกินเหล้าหรือทําไมจะไปถามเขาบ้าหรือเขาบอกแล้วใช่ไหมนั่นผู้ใดต้องการพ้นทุกข์ไหนวัฏสงสารในปัจจุบันชาติ พิจารณาตายลงให้เป็นแต่สักว่าตายพิจารณาเวทนาลงเป็นแต่สักว่าเวทนาพิจารณาจิตลงเป็นแต่สักว่าจิตพิจารณาธรรมลงเป็นแต่แต่สักว่าธรรมอย่าไปยึดถือเอาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายเวลาไหนก็ข้ามทะเลหลงไปซักที่ย่นอนนั้นลงมาเป็นหนึ่งเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นพขาก็ลมหายใจเข้าออกรู้แล้วก็แล้วไปอย่าต่อไปโลกไปโกรธไปหลงเห็นแล้วก็แล้วไปอย่าต่อไปหาโลกโกรธหลง มันก็นสุดเรื่องเท่านั้นที่ต่อไปหาโรค ก, กวัหลวงใครพาไปต่ออก่ออีตากิเลศพาไปต่อออสติไม่แข็งแกรง่งมันก็มันก็ต่อไปมันขึ้นขี่คอเราอยู่เราอยู่ในอีตากิเลศห น, น้าเดินกำลังหันใช่หันขว า, าหั น, นมันขึ้นกิเลศมันขึ้นงอยมันคือคาบคอจิตคอใจเราอยู่อกิเลศเนี่ย ถ้าเราภาวนาไปนิดหน่อยกิเลสก็มากระซิบหูาจะได้กินอะไรก็หยุดมันซักอ่ะเออเราจะเข้าไปวัดเข้าไปกินสมบัติอะไรมันก็มาซิบกับกระซิบหูเราเราพามันก็มันก็ทบเราได้เหมือนเชื่อกเราก็ไปตามเราผู้ใดมีปัญญามากก็ฝืนกิเลสเข้ามาเรามาศาตราไปภาวนาใจหนึ่งนึกถึง ยังท่านยังไม่สําเร็จพระราหังนึกถึงนางเพมพาเออคงจะพาลูกนอนอยู่ยังไงหนอเดี๋ยวนี้เวลาท่านยังไม่สําเร็จเป็นพระสมมานพุทธเจ้าพอท่านรู้ตัวท่านก็ว่าบอกว่ามานมานมาน อ, อ, อย่ากค้นคว้ยเอามากมานเออพอพระ อ, องค์เจ้ารู้มานมานกว่านี้ไปพอรู้เท่าความหลงความหลงกว่านี้ไปรู้เท่าความหลงตอนไหนความหลงตอนนั่นกว่านี้ไปนะ ไม่ได้คืนมาเลยแล้วลึกถึงงามพิยพากระบตรจะนอนอยู่ยังไงนอเราเป็นหัวมากฮะกินยังไงกันหนอทีนี้พอรู้ตัวมานมานาานห น, นีใช่มานมานพูดอยู่คนเดียวนึกอยู่คนเดียวพอรู้ตัาถ้ามา น, ม า, นมานก็ห น, นีไปนี่เราลู่ถ้ามืดมืดก็ห น, นีไปเราเรียมตาขึ้น ท่านเป็นผู้ลืมตามาแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้เมื่อข้าพเจ้าจะลาท่านไปละมืดก็้มาได้ว่ากันได้ก็ดีเมื่อรู้เท่าความหลงของตนแล้วความหลงก็หายไปความหลงเราเป็นแม่ทัพของกิเลสทั้งปู่รู้เท่าอัตวาทุปาทานความเห็นว่าทะวาตนวาตัวแล้วกรรมว่าปาทานถือมันในความทิฏทุปาทานถือมันในทิฏฐิศีละพระทุปาทานถือมันในศีลพราอัตวาทุปาทานถือมันวาทะวาตนวาตัว ถ้าถือว่าว่าทะว่าตนว่าตัวไม่มีมีแต่สังขารละกองทุกข์มีแต่ทําฝ่ายเกิดฝ่ายดับเท่านั้นทีนี้ความหลงทั้งหลายก็หายไปหมดเอ่ออันนี้มันก็ยากอยู่เพราะใจเนอะเขามาเหยียบขาคนไม่ตายมึงไม่รู้จะกลัวหรอะถ้าตายแล้วยเขากำชีพไปใส่จมูกมันก็ไม่ว่าน่ะแต่เพราะวิญญาณมาอยู่ในที่นั่นนะะจะไม่อยู่ที่นั่นถ้าไม่ตายเนี่ยมึงไม่รู้จะกลัวหรือโป้งเลยใช่ไหมนั่น มันก็ยากเข้ายใจนั่นเอ ง, เองนอกจากใจไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจไม่มีอันใดกับปฏิบัติใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําเวรทําไยให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําคุณให้ใจย่นลงมาเป็นหนึ่งแล้วทีนี้ใจเท่านั้นทําดีให้ใจอัจหิอัตโนราโถจนได้เป็นพึ่งที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจถ้าใจทําผิดใจก็เป็นอันตรายต่อใจทําดีแล้ว ก็ามาหาใจไม่ได้ต้อนเข้าคอกยากเหมือนว่าและโคและกระเบือเลยทั้งชั่วก็เหมือนกันพวกจีนเขาพูดไทยเขาบอกว่าหม้วงกังหม้องกังพวกจีนที่มาใหม่ๆที่มานานเล้ยวยเขาก็พูดไทยชัดเหมือนคนภาคอีสานแล้วไปหัดพูดใหม่มันก็ไม่ชัดเราก็ไม่ชัดเหมือนกันก็พูดว่าบ้าบอไปเฉยๆดอกเพื่อใดอยากคนทุกข์ในวัฏฏะสงสารให้ภาวนาบ่อย ตื่นขึ้นมาก็อาบพระเสียกอ่อนและจึงไปทำมาหากยงชีวิตเวลาจะนอนก็เหมือนกันเวลาไปรถไปเรือก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่ของต่ําเน้อน้อมให้สูงก็สูงพุทโธไม่พามาปเป็นอันตรายใดใดทั้งสิน้นธรรมโมไม่ให้เป็นอันตรายอะไรทั้งสิ้นสังโฆก็ไม่ให้เป็นอันตรายใดๆทําเจรัตวะบาศสูงวัดถ้าจิตใจเราสูงมากกว่าสูงถ้าจิตใจเราต่ำเราก็ดึงมาเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเนบอ น, นั่นแหะถูกไหม คิตใจเราสูงก็ดึงขึ้นสูงวัดทำใจเราบวชระบาดทรงต่อพระญาพานทั้งนั้นเช่นผุ้ภาวนาและชองอรนังและชังหัติและโชรนังและชังฮัติอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนาแต่แตกฉานในปฏิสมัยศาสตร์แล้วด้ว ย, วยก็เพราะบารมีแก่กล้ามาแล้วนั่นนี่มันเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหลน่นหล่นลงไปดินเป็นดินเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมอ่า บางท่านเขายุให้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นว่าจะแทะ <laughs> เอา้าหาพระอรหันต์พระอรหันต์อยู่ที่ไหนหาพระอรหันต์ในที่สกลน า, กายก็ไม่เจอไม่เจ อ, ไ ม, เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยท่านพระพุทธกาลพญมกษัต ร, ริย์สำคัญว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เออท่านเห็นว่าขั้นห้า เป็นพระรหันหรือไม่ใช่พระเจ้าข่าท่านเห็นว่าขันอื่นเป็นพระรหันหรือไม่ใช่พระเจ้าข้าอ๋อถ้าอย่างนั้นท่านท่านจงหาพระรหันในขันห้าดูดูอ๋อหาแต่รูปขันนี่แหละอ๋อรูปขันคือดินน้ําไฟลมชุมกันเป็นกายเรียกว่าลูกท่านจงหาพระรหันในลูกขันดูดูในนามขันหาอีกอ๋อหาพระรหันในลูกในธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเยือ่อในกระดู มาหัวใจตับทางผื่นไตปอดขยายใ ช, ใใช่น้อยอาหารหวานอาหารเกล็ดนี่เป็นแต่สักประทานดินมเนาเ ห, ห็นพรอรหันหาพระอรหันในธาตุน้ําดูดูดีเสเลตน้องเลือดเหงื่อมันคนนน้นน้ําตาเยื่มันลายน้ำมูกลาไขเพาะน้ําูกหมดนี่เขาไม่เจอไม่เจอนี่หาพระอรหันในธาตุดินมาเห็นเดินมากองไว้นี่ น, น้ํามากองไว้นี่หาพระอรหันในธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่พออาหารให้ย่อย ไฟสี่ก็ไม่เห็นนี่กองแยกออกแล้วนี่ดินน้ำไฟแยกออกแล้วไม่เห็นพระรหัสนี่พระรหัสนี่ถ้าลมดูดูลมพัดขึ้นวังวนลมหาวลมเลอลงอ้วกลมหาวลมเลอลงอ้วกหาพระรหัสนี่ลมในท่องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเส้นเอ็นลมให้จะจเข้าลมห้จะออกไม่เห็นพระรหัสนี่ดินน้ำไฟลมไม่มีพระรหัสถี่แล้วนี่ พระรหัสนในเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์เบีขาก็ไม่เห็นไม่เจอไม่เจ อ, ไ ม, เจอไม่พบไม่ปะเสียเล้ท่านหาพระรหัส์เห็นไหมในเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์เบกขาทุกข้าจะเวทนาทุกขาจะเวทน า, ทก า, เ, นาเกิดขึ้นแ ล, แลว้วกาแรควนั่นแตกสลายหาพระรหัสนในสัญญาดูดูจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมารมณม รูป fitted, าาระสัญญาสัาทธสัญญาธรรธสัญญาราษฎสัญญากู้ถวะสัญญาธรรมสัญญาเป็นแต่สัตว์ว่าจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะตำธรรมารม์เท่านั้นก็ไม่เจอไม่เจอะไม่เห็นสระนารฟ้ราจริงเหล่านี่เกิดขึ้นแล้วดับไปหาพระสารในสังขารปรุงแต่งแห่งจิตให้ดีบ้างให้ชอบบ้างให้ดีใจบ้างเสีย ใ, ใจบ้างกลางๆว่าก็ไม่เจอไม่เจอไม่เพราะไม่ฝากพระสารหาพระสารในทางวิญญาณว่าวิญญาณหก อาศัยสสสสรูปกระทบในตาเกิดความรุ่ขึ้นเรยกจักรวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความลุ่ขึ้นเรียกโสตวิญญาณอาศัยกระทบจมูกเกิดความลุกขึ้นเรียกคานาวิญญาณอาศัยรูปกระทบนี้เล่นเกิดความรุ่ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยผลจะพากกระทบการเกิดความรุ่ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยผลกระทบอาศัยธรรมาลมเกิดขึ้นกับใจเกิดความรุกขึ้นเรียกมโนวิญญาณเกิดได้ขึ้นแล้วประดับไปแล้วไปก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นนะหาพระนหันด้ว่ากิวิญญาตพอพูดแล้วลงงไปขอร้อง ร้องห้ใจเข้าออกก็ร่วงไปร่วงไปไม่มีข้างหน้าข้างหลังก็ไม่เจอไม่เจอเพราะพรไม่เจอไม่เจอพระอรหันห์หาพระอรหันในมันจิตตาสังขารนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปนึกขึ้นแล้วก็พูดออกมาก็ร่วงไปล่วงไปล่วงไปเป็นอันนี้จังอนละเอียดด้วยก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พบไม่เห็นท่านเห็นไหมหาพระอรหันต์กว่ยให้หานานแล้วไม่เห็นครับไม่เห็นทําไมท่านจึงยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ แต่ก่อนฉันไม่ผมยังไม่เข้าใจครับเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจแล้วครับขออภัยด้วยทีนี้ถ้าเขาถามว่าพระอรหันต์ตายเอาไปอยู่ที่ไหนท่านจะตอบเขาว่ายังไงจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงดับไปแล้วเออดีล่ะดีล่ะดีล ะ, ล ะ, ละนัดนัดดีกว่ใกล้ๆน้องไม่ใช่น่ดนัดนัดแต่เราไม่ยอมเป็นทาสแห่งกิเลสยอมเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ยิตรงกับคำว่าพุทธัสสะหัตสมิธาโสวะพุทธัสสะหัตสมิธาสีวะยอมเป็นข้าเป็นทาเพราะผู้หญิงว่าทาศีเพราะผู้ชายวาทาโสพุทธัสสะหัตสมิธาโสวะพุทธัสสะหัตสมิธาโสวะพทาศีวะเป็นข้าเป็นทาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อทำผิดพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาหรือว่าใจก็ดี ขอให้พระพุะทธรรมพสงฆ์อรงอธษัานอยู่ทุกเมื่อจะพยายามอยู่ทุกเมื่อจะสังรวมระวังต่อไปพูด ถ, ถึงพ่าพุทธระธรรมพระสงฆ์มีขติเป็นสองเส่นลมปราณแล้วไม่มนุษย์ก็สวรรค์ผู้ตรงกันข้ามก็มีขติเป็นสองไม่สัตวกิเยสาดก้อนรอกก็เปรตสุรการ รักเพศ่นเขาได้ยินีเขาก็โกรธโกรธกรตามก็พูดกรตามเป็นจริงเพราะเป็นรามาสัจจาพาพูดอย่างนั้นถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเขาต้องทำเราไม่ได้พูดแดดดันนันเท่าไรพูดตามเป็นจริงเป็นอริยสัจะธรรมเราพูดอย่างนั้นถ้าอริยสัจธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้อริยสัจธรรมได้ อริยสัจธรรมมีอยู่ก่อนเราจรึงสามารถรู้ได้เหตุนั้นเราจรึงเคารพอริยสัจธรรมคือของจริงสี่อย่างชาติชราทยาทิมรณนะเป็นทุกข์ความทเยอทยานเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อให้แจ้งในนิโรธะกันอื่น พที่อื่นศาสนาอื่นก็จัมาเรียนสายพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่าบารมียังอ่อนอยู่ก็ขอสากาขอสราขาอยู่เสียก่อนยังเรียนปริญญาตรีโทอีกยังไม่ได้พวกที่เรียนสายพระพุทธศาสนาแล้วก็คือพวกที่เรียนจบปวชหรือพวกขึ้นสู่ปริญญา พวกทยังไม่รู้อินี่อีหนูอินี่จะให้เขามาเริ่มงใสมันก็เริ้ยใสไม่ได้พระบารมียังอ่อนไอคนตาฟางเราจะไล่ให้มันไปนสนเข็มแล้วก็ผู้ไล่มันก็บ้าสูงไหมเขาสนไม่ได้คูอเลี้งสพระพุทธศาสนามันใช่คนโง่คนฉลาดกเขาเลี้ยงมันสร้างบารมีเสียร้ามาเยอะกามุนาวตัตติโลกุเชตโลก พระโลกก็ไปทากรรมพระพุทธศาสนาก็มีมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัตินิพพานสมบัติจำภูมิแล้วไม่มีศาสนาใดๆจะมาเสมอเหมือนเลยแต่เสมอเหมือนก็ไม่มีแล้วทำไมยังจะจะเหนือไปไม่มีทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยพระพุทธเจ้าจะมากี่ ล, ล้านพงก็มามาเป็นยุกยุค ก, ก็มาสอนคําเดียวกันเพราะมันบริบูรณ์แล้วทั้งอัตชั่งทั้งพยายามชนะ โดยเชิญเลยธรมหางปะกาันตังภูติยามิตารมหางปะการังรตังศิรสานมามิจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบโง่ๆโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรเยี่ยมปุริสาธรรมสาสถิฝึกตนดีแล้วเหมือนนายสารถีฝึกมาท่านจึงไปเที่ยวหาฝึกคนอื่นท่านลงมศาสตราแล้วได้หัวหน้าดีแล้วเอ่อนัตถิภ ร, ราปนินายกา่า คนพาดไม่ใช่ควาคนหัวหน้าบันฑิตาพฤินาจากาพระบรมศาสษตริเป็นมหาบัณฑิตอยู่ทุกยกุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาของโลกเหตุนั้นชาวโลกจึงไม่เป็นหน้าที่จะอวดดีต่อพระบรมศาสดาเลยเอวายวมุขทุกประเภทเป็นทางชิบหายเราท้าคนได้เสพมาแล้วก่ อ, อ, อนพวก พี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายพี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายอย่าไปเข้าไปใกล้เล้วเราเราจะถ้ามันยุติธมเป็นพวกฤจธิเศษรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัธยาศัยเป็นพวกฤทธผลทุกันผลเป็งเหตุอนี้ทุกันผลเป็งเหตุอันนี้คือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองเห็นอะไรเห็นสิ่งที่มาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมดีได้ดีธรรมช่วยแล้วช่วยเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคําสอนฟุดยิ่งกว่าคําสอนใดๆเลยลกบอกแล้วก็ยียกว่าดวงตาเห็นธรรมถ้ายังสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ว่าเอเป็นคําสอนที่ไม่ทันสมัยไม่ถูกเนอะมันเหนือสมัยไปแล้วเอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสันติภาพไม่มีเวไนยภัยเลยเช่นสอนให้มีศีลห้าเป็นต้น ก็ไม่มีเวนีในภายถ้าชาวโลกมีศีลหบริบูรณ์สงครามก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีโซนตวนก็ไม่มีทหารก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวนอยู่รอบข้าเหตุนั้นจึงทรงสนเสระพุทธที่มีศีลห้าบริบูรณ์ไม่เสียดายลงละเมืิดศีลห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพัน ไม่ใช่รายอยากกระถือเลกดียามดีไม่ใช่ได้อยากลวงละเมิดอันมาญมุกทุกประเภทก็คือพระโสดาบันเราดีดีนี่ไม่ใช่อันอื่นเลยเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วพระเจ้ากรทาคามีอานาคามีอรหันต์ก็บานไปเองไม่มีใครจะกียขวางไว้ได้กิเลสไม่สามารถจะเกียตขวางไว้ได้ความหลงไม่สามารถจะเกียขวางไว้ได้เพราะความหลงท่านจะ ชั้นยาบนั่นตัดขาดออกไปแล้วชั้นจะเป็นนายกของกิเลสตัดขาดไปแล้วความหลงอันใหญ่ให่เหตุนั้นสุะพุทธพโนจึงสามารถจะถึงสามีจิตได้อย่างมากเกิดอีกเจ็ดชาติไม่ถืออภพที่แปดอธ ร, รมมาที่ยันติดไม่ถืออภพที่แปดยางกางก็เกิดอีกสาวชาติย่างเร็วก็เกิดอีกชาติเดียวอ มารดาของพระบรมศาสตรากิดอีกชาติเดียวก็จะได้เป็นแม่มารดาของพระศรีอริยไตรยพระจะได้เข้าสู่พระนิพพานพระปรารถนาเป็นมารดาของพระพุทธเจ้ามาสี่พระองค์แล้วยังพระศรีอริยไตรยเป็นท่าพระองค์พระสวัสดิบันแบบนั้นเรียกว่าพระสวัสดิบัลเอกพิเศษพระสสดาบาลแบบหนึ่งพอถึงพระสวสดาบันแล้วก็จะถึง พระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนั้นอันนั้นไม่เรียกว่าโสดาวันเอกคพิคีโกรังโคละสตักคาถูประมะพระอนาคามีกือนการบางท่านถึงพระอนาคามีแล้วก็จะสําเร็จพระอรหันต์ในชาตินี้นั้นในชาติปัจจุบันนั้นก็ไม่บัญญัติว่าจะไปเกิดในสุดทาวารเป็นพระอนาคามีเพื่อรอตําแหน่งเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ในมนุษย์โลกถ้าไมามีพุทธศสาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้เสียงร้ไห้ร้องห่ม เสียงสาบเสียงแข้งเสียงพี่ไรรดำพันก็เต็มโลกเต็มช่องศาลอยู่คุณปู่คนณย่าคนตาคนณยายสวัสดีไหมคุณพี่คุณน้องคุณหนูคนปู่คนณย่าคนตาคนณยายคนเพื่อนคนมิดคนสหายคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาการคุณพระครูมีอยู่เพราะเหตุใดเพราะมีอายุวันนูสุขังพลังสวัสดีจึงมีป่าปนอยู่ในโลก ถ้าไ ม, มีอายุวนโนสุขังพลังของพระแทรกแซงอยู่ในโลกนี่แหละเสียงร้องไห้เสียงร้องหม่มเสียงสาบเสียงแฉ่งก็เต็มโลกเต็มสงสารอยู่ก็ได้ยินแต่เสียงปืนได้ยินแต่เสียงร้องไห้ร้องหม่มกลิ่นของโลกจะเป็นยังไงก็คือกลิ่นเหม็นเราดีๆนี่เองเพราะยังไเพระาะเผาเผาและฝังไม่ทันน้ําก็เป็นน้ําสกปรกทะเลเลือดทะเลน้ําตา นอนต่อส้กดุขาเพราะมีเวณอยู่ราบข้านี่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้สิ่งเล้านี้ยิงพอมองแลดูหน้าดูตากันได้เนนั่นจริงตรงกับคำว่าอัปมาโนพุตโธคุณของพระพุทธศา ส, าสนาสงวนนี้เขมาอัปมาโนธรมโมสังโกความเหมือนกันถึงจะย่นลงมาเป็นเอกนาชิบาตก็ไม่มีที่วางย่นลงมาเป็น พระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณพระเมตตาคุณก็ดีพระวิสุทธิคุณก็ดีก็เต็มโลกเต็มช่องสามไม่มีที่วางเลยถ้าจะขยายออกก็ไม่มีที่ขยายไปเพราะมันยัดเยียดแล้วในใจโลกธาตุหรือใจสักวาเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาตรงนั้นเพราะพุทธศาสนาผู้เป็นพระหลานท่านวางแล้วปล่อยเลยแต่พวกเรากําลังจะเรียนวิชาวางถ้ารู้เท่าแล้วมันวางเองมัน ไม่ต้องทําทิริยาวางเช่นเรารับตาอย่างนี้เราลืมขึ้นไม่มันไม่ได้ทาทิริยาวางมือดมันวางเองมันถูกไหเนี่ยข้าพเจ้าจะวางมือดไม่ได้ว่าเนี่ยมันถูกเหตุผลมาแล้วมันวางเองมันเมื่อเราเห็นโลกเั็มไปด้วยทั้งขันจะคลองทุกข์เกิดขึ้นแล้วแปลวัวนั่งแตกสลายไม่ได้อยู่ในอํานาจของใครอย่างนี้ความหลงโลกทั้งปวงว่ามันเป็นของที่เป็นุพเป็นอนัตตามันวางเองมัน ถ้าเราเห็นชัดว่าสักวันรางกายนี่จ็มด้วยโงดโคตจริงจริงจรงจังเลยความที่หลงว่ารักว่าสวยว่างามมันวางเองมันถ้ามันเห็นพอมันไม่ต้องทํากิริยาวางใช่ไหมนนนในสกวันรางกายจะไปด้วยของไม่สะอาดในประการต่างๆเ น, นอะพระบรมาศาสีราชทูตอมัตจเหมิงกายเยีอยู่ในกายนี้เกาสารมารักษณสั น, นต์พระโจ กายสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายดันตาฟันทั้งหลายตาโจหนังมังสังเนื้อนาหน้ารูเอ็นทั้งหลายอธิวิย่างนี้อกระดูรักกลางว่าพระที่ยังพอใจสิ่งเหล่านี้เป็นต้นก็มีแต่ของวัตถุโคนโซโ ค, โคกเนะื้อเอ่อมีกลิ่นและสีเอ่อสกปกโครโมมและเป็นของมาที่อย่างด้วยดินแต่ไปเป็นดินน้ำจากเป็นาน้ําไฟแต่เป็นไฟลมแตกไปเป็ ของผมของดิฉันร่างกายดิฉันร่างกายผมมันเป็นของหอมเหมือนไฮเป๊กมีใครไปเถียงได้ไหมนั่นเมื่อเถียงไม่ได้ก็ต้องยกธงขาวใช่ไหมร่างกายของกระผมไม่เก็บไม่ป่วยไม่มีโรคดอกอย่ามาใส่อ่ายปสีเลยเราไปเถียงได้ไหมนั่นเถียงไม่ได้นั่นตูมเรียวชาปีตุขาถูกมดเน่ะ ชาติเป็นทุกข์เนอเป็นทุกข์ถ่วงาัดตูมอีกชาติไปทุกข์าความแก่ก็เป็นทุกข์เนอะซักไม่เท่าเซไปเซมาไม่ได้นํำไปทุกข์หาความตายก็เป็นทุกข์เนอก็ตูมลงไปอีกก็แยกไม่ได้ถ้าวมาถ้าท้าว่าเป็นทุกข์จะหายใจยังไงบางทีก็แลบเลี่ยนเลี่ตามหนุ่ยนี้ก็มีบางทีก็มัอย่างนี้ก็มีแันจะกระชากน้องๆแงะอย่างนั้นอ่ะอันนั่น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 คำพูดใดๆเกิดขึ้นในอดีตก็ดับไปในนี้ก็ล่วงไปแล้วคำพูดใดๆเกิดขึ้นในปัจจุบันคำพูดอันนั้นก็จะดับไปในปัจจุบันคำพูดอัใดๆเกิดในอนาคตคำพูดนั่นก็จะได้ดับในอนาคตนั่นคือวจีสังขารหรือคิดตสังขารสัมะยพกันอยู่นึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปคืออันนั้นแหละเป็นอันนี้จังอันั้นละเอียดเธอทั้งหลายจงรู้ซักพระพรทธมรรสลาของผมไม่ล่วงของที่ฉันไม่ล่วงถ้าได้พูดแล้วก็พูดอยู่จนตลอดคืนตลอดวัน เป็นของเถียงอยู่เราไปเถียงได้ไหมเราก็เถียงไม่ได้นั่นนั่นมันเถียงไม่ได้ก็ยอมรับจํานงใช่ไหมนี่ใบไม้มันเกิดมามากมากมันก็เกิดมาเพื่อหล่นลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันเนี่ยนั่นนั่ทุกสิ่งทุกอย่างใดๆในโลกล้วนอันนิจจ์ใดๆโลกล้วนทุกขังใดๆโลกล้วนอนัตตา อยาสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเห็นอันนี้จังชัดในปัจจุบันอันนี้จังในอดีตจะไปสงสัยทํทำไมถ้าอย่างนั้นก็เห็นไม่ชัดก็เห็นตามสัญญาเห็นพร้อมกับลมเข้าออกอีกเสียด้วยพอเราบัญญัติว่าลมเข้ามันก็กลายมาเป็นกลางลมมันก็กลายมาเป็นไท่ายลมแล้วเวลาหายใจออก เราบัญ so ัติว่าต้นลมอยู่นี่กลางลมอยู่นี่ท้ายลมอยู่นี่มันก็ล่วงไปล่วงไปลมเข้าก็เหมือนกันนี่ล่วงไปห้าระหว่างไม่ได้อด้านก็ล่วงไปห้าระหว่างไม่ได้เป็นรอบๆนั่นๆผี่ยิบทําอันไม่เกิดไม่ดับก็ไม่สกดไม่ดับอยู่ทําอันไม่เกิดไม่ดับก็ว่าจะไม่เป็นข้าเป็นทาสใครเลยถ้าสใครไม่รู้ข้าไปเจ้าเป็นพระนิพานข้าไปเจ้าจะไปสาบแช่งมันทำทั้งหลายก็ไม่ว่าถ้าสใครไม่รู้ข้าไปเจ้าว่าเป็นฝ่ายแสงสารเกิดดับ เราจะไปสาบไปแช่งให้มันเที่ยวเกิดเที่ยวตายทำทั้งหลายก็ไมาแว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อรู้ตามเป็นจริงของไทยของมันน้ำก็เหมือนแต่ข้าพเจ้าน้ําใสนัถ้าใครไม่มากินไม่มาดื่มคอกระเบอือกอดียมนกกระเดียข้าพเจ้าจะสาบแช่งน้ําก็ไม่ว่าในควาเป็นจริงอย่างนั้นทีนี้น้ําขุนน้ำเป็นต้มคอกระเบืออ่าถ้ายวงกัดมันไม่มานอนกูจะแช่งให้นงยวงกัดมันตายน้ำที่เป็นขุนก็ไม่หมุนก็อยู่ตามธรรมชาติน่ะ ทำความโคตเจ้าละเอียดละอ่อมไม่ถ้าดินไม่มีเราเขามันหยัดดินไม่ได้น้ำไม่มีเราบัรจัดน้าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราบรรญัติดินดินจึงจะมีบรรจัดน้าน้ำนั้นึงมีบรรจัดไฟไฟนี่จะมีบรรจัดลมลมนีไอ้ที่แท้มันมีอยู่ก่อนนี่ถูกไหทีนี้ดินมันไม่ว่ามันเป็นดินที่นี่เราไปนั่งอยู่มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นดินอีกที่นี่เราไปนั่งอยู่มันก็ไม่ว่าเราไปขี้ใส่มันก็ไม่ว่าอันดินก้อนนี่ อเรนก้อนนี้มีมีมีผู้มาชี้ใส่ด้วยหรือว่ามึงไม่รู้ไปคุยเลยชุกไหมน่าเลีถ้าไมนมีใจเกลียดก็องไมีที่เกาะกลียดต้องไม่มีที่อยู่ถ้าไม่มีใจใจมันก็อาศัยกลเลดนั่นเองอีกกลียดนั่นเองอาศัยใจเล็ดมาอาศัยสนิมสนิมก็อาศัยเลยถ้าไม่มีเล็ดก็ไม่มีสนิมถ้าไม่มีใจก็ไม่มีกลียดถ้าไม่มีเกลียดก็ไม่ได้มีใจ นั่นพระบรมศาสลาจึงห้ามมาให้ให้รูกทำจริงสักใเป็นแคัตว์หมายใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิตตาพัฒนาทำก็เป็นสักด์พธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานวพัฒนะท่านจึงสอนเนีพลิกออกนั้นไม่ให้ยึดถือใจไม่ให้ยึดถือธรรมแต่ว่าสิ่งที่เป็นบาปให้เว้นสิ่งที่เป็นบุญให้เจริญอนาตตาฝ่ายบาปเป็นของเว้นอนาตตาฝ่ายบุญเป็นของเจริญอนาตตาฝ่ายมรร เป็นอนัตตาที่ควรทำให้แจ้งอันอ่าเป็นอนัตตาที่ควรเจริญมากขึ้นอนัตตาฝ่ายมิรอดทำให้แจ้งใช่ไทํทำให้แจ้งในขันธะสันดานใช่ห่างมีผู้ทำลายพระพุทธศาสนา ไ, ได้หรือไม่าถามซีซ่อนครมาเอกมีผู้มีกองทัพน้ำลายบวนขึ้นฟ้าได้ไหมนันะถ้ามีไม่มีผู้ กองทําน้าลายเบิ้ลขึ้นฟ้าได้ก็ไม่มีผู้ทําลายพระพุทธศาสนาได้หมวงตังใช่ไหมหมวงตังเป็นคําจีนเนอยนั่นนั่นมีผู้ควางปลาคว้นไถต้นเสาได้ไหมคว่างไกมันไม่ถึงคว่างไกนักโ้อีโยเอกร บ, บไม่ทันใช่ไหมนั่นนั่นบางท่านเราคิดเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเพราะมีผู้ทําผิดมากอันนั้นมันก็เป็นของใครของมันใช่ไหม คนหนึ่งทําผิดจะให้ผิดหมดทั่วโลกมันก็ไม่ถูกถ้าอย่างนั้นคนดีก็สื่พระพุทธศาสนาไปไม่ได้ก็มีแต่คนชั่วหมดใช่ไหมเห็นคนอื่นทําผิดพระพุทธศาสนาแล้วก็เบื่อพระพุทธศาสนาจะเข้าใจว่าเราเห็นทำมันก็ไม่เห็นเคาะเคาะของใครของมันใช่ไหมนั่นผู้ใดลงลุยหลุนฐานเพลิงหลุนฐานเพลิงก็สังขารยา ย, ยนายเอาใช่ไหมเราไม่ลงลุยจะสังขารยา ย, ยนายเราทํำไมใช่ไหมนั่นบางท่านอ่อนเอเห็นคนทําผิด พระพุทธศาสนามากก็ละเอียมละอาเพราะไม่รู้จักว่าพระพุทธศาสนาอยู่กับตัวเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาอยู่กับท่านผู้อื่นและอยู่ในพระไตรปดกภายนอกตบอร์อาตบอร์สะกดอยู่ภายนอกไ อ, ต อ, าอา้ตัวอสลาอาตปอร์สะกดก็อยู่หัวใจของใครของมันใช่ไหมนั่นแหละของใครของมันอผู้อื่นทําผิดจะเอาเราไปผิดด้วยเราก็ไม่เราก็ไม่ไปใช่ไหมอ่านั่นั้งพระพุทธการก็มีสุภพุทธะอ่อ เป็นผู้ทำผิดพระพุทธศาสนามากจนถึงอันนั้นตรีกรรมห้าพระเทวทัตเหล่านี้ถึงอันนั้นตรยกรรมห้าทางนั้นนันทามารก็ถึงอันันตริยกรรมห้ า, ท, ท, ห า, า, รรหาทางนั้นเออ่ทําไมพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมจึงมาจนถึงเราทุกวันนี้โง่จริงๆพูดที่กลัวาศาสนาเสื่อมเป็นปาราชีกหมดทั้งโลกเนี่ยเราก็ว่ามันไม่เสื่อมพระพุทธศาสนาพระองค์เจ้าองค์หน้ามาตัชโรก็ตัดอริยสัจสีเหมือนกันทุกสมุัยไทยในี่เราอดมาก ถ้าหากว่ามีผู้ทาเชื่อมทุกสมมติไทยนี่รอดนักก็ไม่ยังอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาก็ไม่มีทาจะตัะรู้ใช่ไหมเพราะทาทั้งหลายมีอยู่ก่อนอแล้วพระพุทธเจ้าจึงมาลูกทีหนังเหตุหนั้นจึงเขารบทำ ถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้าำมีอยู่ก่อนเราจึงเชื่อมา ร, รู้ทําได้เหตุนั้นจะเอาจจงเขารับทำจะมีผู้มาทำลายพระพุทธศาสนาสักเพียงใดก็ตามพระพุทธศาสนาก็เท่าเก่าอยู่จะมีผู้มาปฏิบัติพระพุทธศาสนากี่ล้านกี่แสนก็าตามมันก็ไม่หมดเป็นไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกไม่เหมือนที่ดินที่ดินมึงเอาที่นั่นมันน้ำมันมันมันเอาของนี้ไปก่อนกูหมดไม่เขาว่ากันอย่างนั้นทีนี่ปันวัตถุนิยมให้กัน มันไม่เท่ากันส่วนอุดมคติใครอยากได้มากก็เอามากหมดไม่เป็นใช่ไหมใครอยากจะทําำบาก็ทํำมากก็หมดไม่เป็นอีกเหมือนกันไปไปเยอะจ้ะเนี่ยเยอะจ้ะอุปัชฌาย์เพื่นว่าเพื่นปฏิสันขารฆรวตาเฮ้ยเอาเพื่นว่ามากใส่ฮะนี่เขาอะไรบ่เออใครมาสั่นให้ฟ้อนสุนี่สุนีออกตะก้อนเนาะเออ นาโรควินิมตโตสัพพสันตปาวัตชิตโตสัพพเวนาบติกันโตนี้พุโตจะตวงภาวะสัพพีติโยวัชันโตสัพโรโควนัสจตุมาเตผวัตตวันตรายโยสุขีทีขายุโกผาะอภิวาทนาสีนิจนิจจังมุตตาปกายยัตตาโรธรรมาวทตันติอายุวโนสุขังขลังละห้าละเป็นขั้วเพีดทอมหมหะสารากวงสิตายมาโยบันใต้ถุนห้าโมหะว่าไปก็ไปคขัวเพีดทอมมหะฮน่ะจักบอกสาระกวงสิตายพาเพื่อนมายใต้ถุน อามอ่านบอออกมันเป็นความผิดของเจ้าชินจ้าก็บอเข้ากับทับ็อกเคล็ว่าเพื่อนสีมาหลายปานนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคาม น, น, น, นั่งเพื่นอืนี่น้ำที่ขน้อยเอาไปถวายหลวงปู่เทพเป็นสันจะเป็นโรกลมรคอโรกิกกนยังก็อนมันบอกคำเลิกเพ่อ น, น้อละน่าอเอาม า, <อ>งา่งพอเพ็่อนชินแล้วกับน้อยอัดเป็นขวดไปงามเพื่อนลายแสนขวดจากขวดสูบมันไหลออกจากจากหมอฟูธรรมชาติโอ้โนี่ เออเออออใช้ใช้ส่วนใดมั้งโอ้ว่าว่าเยอะเยอว่าว่าสันนามซ่งอย่ายกๆยาจะออกไปปลนูเหรอเอาล้ว่ันี่สั่งนามมันน้อยเยอะจึงเอาพระอาโนนมาปฏิบัติใกล้เคดซึ่งเป็นลูกน้องชายเบดาของตนซึ่งเป็นท่านอา พระบรมาสรารีรลําเอียงกันมาไม่ได้นำเอียงหรอกพระอาณนรก็ปรารถนาเป็นสาวกพุทธอุ ป, ปถากมาแต่ทั้งพระเจ้าทีปังกรพูดเอนกันนั่นพระองค์พูดไม่มีที่คาเลยที่ไหนพระบรมศาสราีรมาเน้เทศว้ไม่มีเลยอีพ่ออีแม่เอ๋อยมีมดแนว เราจะเทศเก่งสักเพียงไหนก็เรียมก้างพระบรมศาสตรานั่นเองเราจะดำดินบินบนไปเนี่ยนี่ก็เรียมก้างพระบรมศาสตานั่นเองเพราะท่านเทศหมดแล้วเราจะไปตกนรกวันนี้ก็เรียมก้างท่านเหมือนกันเพราะท่านเคยเดือตกมาแล้วจึงได้มาสอนสังสอนเราทั้งทางขึ้นและทางล่องคนชั่วก็มาจากคนดีนั่นเองคนดีก็มาจากคนชั่วนั่นเองพระสมาทัพพุทเจ้าก็มาจากพุทธชนคนหนาเนั่นเองพระอหันต์ก็มาจากพระอนาคามี คณะสถาบันก็มาจากพุทธชนดอกบัวสี่เราก็มีในขั้งพุทธกาลขั้งนี้ก็มีอยู่เหมือนกันดอกบานก็บานเตมพู ม, มดอกทวงก็ทวงเต็มพูมดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ำเช็มพูมดอกใต้น้ําก็ใต้น้ำเต็มพูมนะเอ้าทำแต่ระบทระบาดส่งต่อเนาไม่ฟังหมดนั้นขึ้นอยู่กับบาลามีแก่สร้าง ม, มาแล้วหรือไม่ถ้าบาลมีแก่สามมาร้างมาแล้วมันเสียงเลยเช่นพระเทศพระพาเยอะเป็นจะสัรปะรเป็นจะสับ ป, เ, ปเห็นเออครับพอแล้วนะ แต่ขนาใไว้ทํ์ธรรมาสีพระท่านได้สร้างบริเวณแก่กล้ามาแล้วเป็นดอกบัวจะบานเล้วพอได้รับแสงพระอาทิตย์มารุ่มเช้ามาร้กา อ, อก็บานออกบานออกมาเลยไม่ได้ทํามาเทพสนาก็เพลงเลยไปเลย ค, ค, คล้ายๆกับเราไปช่วงน้ําใส่หเนี่ยมันยังดูอีกขันเดียวพอใส่อีกขันเดียวมันก็เต็มเลยแต่มันแต่มันไม่แห้งเป็นเหมือนน้ำโบราณเรียกว่าช่วงน้ํา แต่เดี๋ยวนี้จะไปะตักน้ําในช่วงหน้ามาสักสองหายแต่โบราณโบราณราชการที่หกใช้คำว่าช่วงทุกวันนี้ไปตักน้ำเ mm. พราะพูดตามภาษาลาวมากแล้วแป้นกระดานก็พูดอื mm. เอาให้มันซักอย่างนี้ซักนี่ก็เป็นคําภาษาภาคอสาีสานแต่ชาวกรุงเทพเอามาใช้แล้วเดี๋ยวี้เพราะพราภาคอีสาน ม, มันไปอยู่ในกรุงเทพเยอะๆมันเต็เ ม, มอยู่นั่นรถติดอยู่นั่น รถติดอยู่ที่กรุงเทพทั่วกรุงเทพขี้โง่ไม่ทําไม่ทําไม่ทําต่างจังหวัดให้มีโรงงา น, นามากมากแยกเขาออกมาจากกรุงเทพไม่มีงานทำเขาก็ไปโหกรุงเทพก็ไม่มีที่อยู่เพระกรุงเทพเป็นไหมครู <laughs> <laughs> <laughs> ทั้งทางโลกทางทางธรรมเป็นแต่สังวรูกเป็นแต่สังกตเห็น พระชิดเดียวแตกช้านะไปสามพลาสี่ 24. คือไม่ยึดถือผู้ ร, นนะ ร, คค ร, รู้ผู้เห็น่เป็นเราเป็นเขาเป็นศัตรูเป็นบุคคลไม่สำกันตนเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นโดยใจความก็คือเทศอนัตตานั่นเองเมื่อครบ อ, อนัตตาแจกชัดอวิชชาตัญหาอุปทานพบชาติชรามันนะโตก็ไปเทวทุกขโทนะอุปาญาก็แจกก็ เ, กเจิงไปนะัที่นั้นเองไม่ต้องเรียงแบบไม่ต้องอวิชชาดับสังขนันดับวิยญาณดับนามรูปดับอยวยสุทธิ์ภาษาเวทนาตัญหาอุปทานพบดับ ไม่ต้องเรียงแบบอย่างนั้นที่พระองค์เรียงแบบก็เพื่อให้สมภูมิและเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดสายโซ่ที่มันคล้องคออยู่นี่ตัดตอกไหมขาดมันก็ไปได้เลยไม่ต้องเรียงมันไม่ต้องเอามาทุบมาตัดหมดทุกตอกใช่ไหมยิ้มนะเข้าใจเลอพูดให้คนหนึ่งฟังก็ต้องพูดให้หมดทุกท่านฟังไม่ใช่จะมากอดคอเทศทุกคนทุกคนใช่ไหม เขาคำถามลูกปู่เหมือนกันลูกปู่ลูกปู่ลูกปู่มาหาในกายกับธรรมยุทอันะไรดีนายกอลับนายขอไทยดีนายกอทําดีนายกอลัดีนายขอทาดีนายขอกอดีนายขอทำไม่ดีนายขอกระไม่ดีนายขอเหมือนกันเราพูดเนี่ยเะเยอะเยเยะมโทวัตถถ้าไมครบองค์สามก็ปฏิบัติเขยังไงไม่ได้ย้ดลงมาเป็นฌาย้ลงมาเป็นเงก็สูตรใจถ้านายใจสูตรใจ ก็าตระมนัใจมัดลงที่ใจเอ ก, กันนี่บาดพกคุณนะทาเอกใช่ไหมสามประโยชน์พวกคุณพวกไปนั่นหกประโยคม์ไม่มีเออมีสามประโยคน์สามประโยคก็ได้ผมมาได้รักประโยคนรอกนี่สายจากจากที่ผ่าฐานแล้วสิบวันท่า น, นมันหายแล้วไม่คันเลย ไม่คันเลยไม่ได้กาก็ก็แคกเลยแห้งลงไปเฉยๆได้เย็บก็ไม่เขาไม่ไ ม, ไ ม, ไมาแกะเขาทําำทีไหนเราไม่ทราบเลยลายไปเก่งเหลือเกินเราพวกเนี้ยทราบเมื่อคืนมันบาปไม่ชนะบุญหลวงปู่รักษาความสับละมากเกินไปรักษาความสัทบไม่ผ่าไม่ตัดเทวดาเทวราก็ทําให้หลวงปู่สลบเลย นนนนเพรามันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันเข้าไม่ได้ออกขนาดนี้วเข้ามาได้มันก็เน่าใี่ไหมเน่าแล้วก็โรคอันนี้ก็ขบขบวดขึ้นขบวดขึ้นแล้มันก็ปวดล้งปูใี่ไหมล้งปูก็สลบเลยอล้งปูสลบไปแต่นี้เขาเออกไปค้นแกันอไม่รู้เลยไม่รู้เลยเขาก็บอกเวลาเขาจะผ่าจะตัดเขาก็บอกว่าล้งปูสลบแล้วไสมันเน่าแล้วเดี้ยงนี้เขาว่าอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้เล่าให้ล้งปูฟังหรอก เพราะหลวงปู่ไม่รู้เอโน่อะไรพอมันหายอล้เขาจึงเล่าให้ฟังพอหลวงปู่ได้สติมาน้องปู่ไม่ได้ไปฏิญญากับเราถ้าปฏิญญากับใครใครก็อย่าไปผ่าไปตัดใช่ไหหลวงปู่ไม่ไปฏิญญากับเราเราก็ไม่รับปฏิญญากับหลวงปู่ด้วยเราก็จะผ่าหลวงปู่อ่ะ